วะโสาวะกะสังโกสังฆนะมนโมตัสสะทั a สะวะโตอะระหะโตสมสัมพุทธัสสะน นามัตสานาควาโตภหราโตสมมาสมปุทธาิติปิโสภาว ปานโนโรคเวตุอนุตะโรปุริสัทธามาราติตถาเดวมโน นาดิตังจัตตาริปุริสายุคานิอาภริสปุคะลาเอสาภาควัตโตสาวกัสังโภคุณายโย นาติเมสระนังอันยังโคทเมสระนังวารังเอเตนะสัจวัชเชนาวัดเทยังสาตุสาสเนนาติ All yeah. right. ว่าเจตสาวาสังเคกุกรรมังภกะตังมายายังสังโภปฏิคันหาตัวอาจาย์ตังติริังวาริตตุมาสังเกตหนึงหนึ่งหนึ่งก็ขอเจริญพรนะ เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะสดับและศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเป็ในการศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาเนะี่ยและมาตรวจสอบดูในชั้นของคำสอนที่พระพูทธมีภาคเจ้าได้ตรัสไว้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 ที่พระศ า, าสดาได้ตรัสเขาไว้ว่าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลรู้จักอนิสงของทานกกศลอย่างที่เรารู้บุคคลนั้นน่ะ น, นะ ที่จักไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีอ น, นั้นพูดถึงในเรื่องของแง่ของทานแค่นั้นพอพูดถึงในเรื่องของทานเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าคําว่าคําว่าสัตว์สัตว์โลกเนี่ ย, ยถ้าตามบาลีก็เรียกว่าสัตตะเนี่ยก็แปลว่าผู้คล่องใช่ไหมเขาแปลผู้คล่อง ถ้าโพสิโพโพธิสัตว์เนี่ยเขาแปลว่าสัตว์ผู้คล้องสัตว์ผู้คล้องต่อการตัศรู้หรือผู้คล้องต่อการต่อโพธิ์ต่อโพธิญาณสัตว์ผู้ที่คล้องอยู่กับโพธิโพธิญาณทีนี้โพธิก็มีอยู่สามอย่างสัมมาสามโพธิ ปัเจกโพธิและก็สาวกสาโพธิฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์ธรรมดาหรือจะเป็นประเภทโพธิสัตว์ใช่ไหมหรือเราจะคล่องอยู่ประเภทอคล่องคล้องอยู่กับโพธิหรือไม่เนะี่ยตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าคําว่าพระบรมศาสดานั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เพราะว่าท่านคล่องอยู่กับ โพธิญาณก็คือสัมมาสัมโพธิญาณถ้าตราบใดท่านไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็จะไม่เลิกท่านถึงบอกว่าถ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้จักผลของทานในกุศลอย่างที่เรารู้จักหรือผลของทานในบรารมีอย่างที่เรารู้จักบุคคลนั้นจกไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มี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 และเราก็ไม่รู้อนิสงค์ของเนคขมมะบรมีเราจรึงไม่ได้บําเพ็ญเนคขมมะบรมีว่าบุคคลที่เห็นโทษของกรรมทั้งหลาย<ม>เห็นโทษของการของเรือนทั้งหลาย<ม>เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เห็นโทษของวัตถุกรรมนี่แหละเห็นโทษของวัตถุกรรมนี่แหละถ้าเห็นโทษแล้วเนี่ยนะที่จักไม่บําเพ็ญเนคขมมะ อย่างที่เราบังเพนก็ไม่มีเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักใช่ไหมหรือถ้าได้รู้จักผลหรืออานิสงส์ของปัญญาบารมีอย่างที่เรารู้จักแล้วเนี่ยนั้นบุคตเหล่านั้นนะถ้าเขารู้จักนี่นะอย่างที่พระศาสดารู้จักนั้นนะ่ะที่จะไม่บังเพนปัญญาบารมีนั้นเป็นไม่มีวิริยะบารมีขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมี ฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นรู้จักอานิสงส์ของบารมีเหล่านี้พระองค์จึงน้อมที่จะบำเพ็ญทานนบารมีเป็นต้นตรงนี้ท่านขับเน้นในเรื่องของทานเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวในเรื่องของทานในกะุศลเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะทีนี้ในชั้นของการศึกษาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาศึกษาในเรื่องของจติตต า, านุปัสสนาสติปัฏฐาน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 จิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดถูจิตฟุ้งร้านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งสานจิตเป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตาจิตไม่เป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตา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 ถ้าขับเน้นในเรื่องของทานากุศลก็จะไปดูในชั้นของคำสอนที่พระบร ม, มาศาสดาตรัสเข้าไว้ในไหนไปดูในทานสูตรในทานสูตรเนี่ยนะพระศาสดาได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายนะก็มีในสัตกตกะและอัตตกะนวากกะนี่นะเล่มเดียวกันเลยเนี่ยในของพระสูตรฉบับของ มาขังุดเนี่ยแต่นี่อยู่ในธรรมะธรรมะที่พระบรมศ า, ศาสดาตรัสไว้นี่เป็นทราม้าหมวดหมวดหมวดหมดเจ็ดนะ น, นะเป็นสัตตะกานิบาศที่บอกว่าทานสูรเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งตะบกครรนีชื่อว่าคักคราใกล้เมืองจำปลา ครั้งนั้นแหละนะจำปานครเนี่ยนะครั้งนั้นแหลอุบาสกชาวเมืองจำปามากด้วยกันนี่หมายถึงพระบรมศา ส, สดาสอนแก่อุบาสกนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วแล้วก็ถึงที่อยู่แล้วอภิวาสอภิวาสก็คือกราบไหว้นั่นแหละนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ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 ก็หมายความบอกว่าอุบาศกนี่เข้าไปหาพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านภาษารืบุตรข้าแต่ท่านพุทเจริญทำมีคาถาเฉพาะพระพักของพระบรมศ า, ศาสดาพวกข้าพได้ฟังมานานแล้วก็แปลยะปรารถนาจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนะไม่อใจฟังมานานแล้วมเมื่อไรภาษาลิบุตรฟังเฉยๆนะสำนวนในลักษณะ น, นี้แปลว่า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 ทำของพ่อประมรสสดาพระเจ้าเป็นดินต้องตัดภาราจากกะงานบ้านงานเมืองหมดไหมตัดเลยนะใช่ไหมจะเข้าไปในวาดยังถอดชุดกษัตริย์ออกแล้วห้ามเอาสั ญ, ญลักษณ์เข้ามาเนะอย่ังไงนะนี่แปลว่าเขาเข้ามาแบบความเคารพจริงๆใช่ไหมเด็ก น, น้อมที่จับฟังธรรมมีกระถาทุกวันนี้ที่ฟังธรรมกันไปอะไรไปเนาะ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 ยังไงให้ควรจิตและธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบจิตอย่างไรเป็นต้นนี้นะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจ ง, งฟังมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลายพึงได้ฟังธรรมมีกาถาในสำนักของพระผู้มียพระภาะเจ้าแน่นอนพอได้พูดอย่างนี้อุบาสกก็ตื่นเต้นนะปีติปลาโมดกันใหญ่บอกว่าอุบาสกชาวเมืองจำปาลำจำปาก็รับคา ท่านพระสารีบุตรแล้วก็ลูกจากที่นั่งอภิวาททำประทักษิณแล้วก็หลีกไปประทักศิณกี่รอบสามรอบประทักศิณเพื่ออะไรทําความเคารพนะคืออุบาสกและอุบาสิกาในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาเข้าไปไหว้พระไปไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาก็จะทําประทักศิณสามรอบแล้วก็ไหว้ในทิศทั้งสี่ ก็แปล ว, ว่านะะภาษาลิบุตรเนี่ยท่านจบกิจเนยรียสศาติ์ยังจบแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วรอบสามอาการสิบสองท่านชัดแล้วเนาะเนี่ยบอกโอ้โหยืนยันว่าข้าพเจ้าก็จะเดินตามรอบสามอาการสิบสองเหมือนท่านภาษาลิบุตรและพุทธเจ้านี่แหละว่างั้นนะ ก็ไห ว, ว้ในทีตั้งสีนี้ทุกนี้ได้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี้ใช่ไหมเป็นสัจจยานนะรอบหนึ่งก็ไหว้อีกรอบหนึ่งในเป็นกิจยานนะอีกสี่ครั้งก็ไหว่อีกรอบหนึ่งเออเป็นกัตตายานอีกสี่ครั้งเป็นเท่าไหร่อือรอบสามอาการสิบสองเขาก็ไหวอ้อย่างเงี้ยไหว้สามรอบทำประทับถิ่นแล้วก็ลีปะ่ะแล้วก็ไปไปทักถินแล้วก็กลับบ้านเราเนี่ยนะ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 เโดยนิโรธแล้วก็มรรคนี่ยโดยสัจญายา น, นีข้าพเจ้าเชื่อสัจจะว่าพระพุทธมรรษาสดาเนี่ยรู้สัจจะใช่ไหมรู้ความจริงของสัจจะสี่ใช่ไหมคําว่าอริยสัจเน่ยคือสัจจะของพระตถาคตคือสัจจะของพระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่สัจจะหรือความจริงของบุุชนใช่ไหม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 ระดับโลกุตลามรดกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ไปเบียดเไปบอกท่านภาษาริบุตรได้ข่าวว่าท่านเนี่ยรับธรรมมรดกของพระบรมศาสดาขอชมมรดกธรรมของท่านหน่อยสิท่านก็หลั่งไหลว่าธรรมออกไม่ชมเลยเห็นไหมไปดูในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามากสิไปดูในจูรานิเทศมหานิเทศยผลงานของภาษาริบุตรเลยไหมเยอะเลยหมดเลยอย่างนี้เป็นต้น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 ของพระศาสดาหน่อยสิมีอะไรถึงเี้ยมีอะไรมาเอาออกมาให้โชว์ได้นิดเดียววันวันหนึ่งนอกนั้นมระดกของไครก็ไม่รู้ออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเพ่นผ่านไปหมดใช่ไหมไม่มีมรดกของพระศาสดาเลยน่าอายนักใช่ไหม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 วันๆก็ประพฤติกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมะลาโมก็ไหลเพ่นพ่านยึดตลอดเวลาเพื่อเพอคนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นแถวเป็นแนวก็พราข้าพเจ้าไปรับมรดกมามาวันนี้ข้าพเจ้ามาปฏิญญาณจะขอรับธรรมะมรดกของพระาศาสดาเริ่มตั้งแต่โลกีย์มรดกตั้งแต่สารณาคมเริ่มใหม่บอกนี่เธอเริ่มมากี่ชาติแล้วเนี่ย น่าอายแท้น่าอายแท้เข้าใจยังยอมแก้วเนี่ยที่พยายามเบมาพูดตลอดเวลาเนี่ยตาท่านไหเราท่านทั้งหลายช่วยกันระดมว่าเราเนี่ยจะหมดอายุไขกันอยู่แล้วใช่ไหมยังไม่ได้มรดกอะไรของภาษาสดามาชื่นชมเลยอาจารย์มีใครมาบอกว่าอาคุณเป็นพุทธบริษัทมาตั้งแต่เกิดได้ข่าวว่าอย่างงั้นเนี่ย นี่ก็ฝากเข้าไปอย่าหกสิบขวบเจ็ดสิบขวบแล้วงั้นนะอ้าวลองขอชื่นชมมรดกของพระศาสดาอายเลยน ไ, ไม่รู้จะเอามารดกตรงไหนอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาอวยถ้าไปขอจากพระสารีบุตรโอ้โหเต็มที่เลยพระสารีบุตรแสดงให้บางคนร้องไห้เลยอ่ะเห็นมรดกของพระสารีบุตรขนาดนั้นเลย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 เคียนะโอ้นะก็เราเป็นลูกของพระศาสดาเราต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกอามิสมรดกเนี่ยรับซะเยอะหมดบอกเราต้องการธรรมะมรดกเ่แล้วแม้เอาโลกยะมรดกก็ยังพอได้คใอยได้เหอะ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 นี่ไงธาารรมะมรดกของพรศาสดาออกมาจากกายกรรมของข้าพเจ้าก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหมถ้าทางกายกรรมก็ไม่ฆ่ า, าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกา ร, รมทางมนโนกรรมก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีความเห็นถูกต้องในกรรมสักดาสมาธิฐิเป็นไปกับสุจริตสามกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจก็สะอาด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 เอาไปแลกกันหนึ่งบาทพระคาถาี่พุทธพจน์ยงไม่ได้เลยฉะนั้นมีค่ามากกว่าอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องทำภาชนะอย่างดีดไมทำกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมให้สุดจริตประดุต้ังภาชนะทองคำเมื่อลองรับน้ำมันราชสีอะยังไลองรับพรทธรรมเทศนานี่ดออย่าให้มีอะไรเจือปนดีไหม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 จะไม่มีความลึกซึ้งในพระธรรมเลยฉะนั้นท่านต้องชําระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะเพื่อจะเป็นภาชนะทองรองรับพระธรรมเทศนาะของพระศาสดานะเมื่อนั้นมาเวลาจะกล่าวพระธรรมอม า, มาก็ต้องชําระใจตนเองเหมือนกันนะชําระกายวาจารและจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์นะเราคู่ควรจะกล่าวพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเนี่ย พิจารณาเบ็เสร็จเนี้ยก็ต้องชำระตนไหมต้องชาระตนให้สะอาดให้หมดจดเอาทำแบบนี้ดีไหมเห็ไหมเขาทำกันแบบนี้แหละก็ททำกันแบบเนี้ยนี่ไงอุบาสกพอถึงวันอุโบสถมาแล้วอุบาสกนี่กล่าวถึงอุบาสิกาเลยเนะย ชาวเมืองจำปาก็พากันไปเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งน ท, ที่ควรส่วนข้างหนึ่งรำดับนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยบาสศกชาวเมืองจำปาเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่พระทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัี่ิควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแล เรื่องทานนะเจตนาใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลจิตุิบากใช่ไหมส่วนวัตถุทานได้แก่อะไรได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไรคาว่าวัตถุทานได้แก่ เจตนาเจตนาทานนี่เป็นเออเป็นกลุ่มมหากุสลนนะเป็นกลุ่มมหากุศลนนะแต่ถ้าวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งของอันใดอันหนึ่งทั้งหลายนะที่พึงให้ฉะนั้นสิ่งของอันนั้นชื่อว่าทานได้แก่วัตถุสิ่งของที่พึงให้มาจากคำว่าทาตับภววตถุ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 จะให้ทานเนี่ยตั้งแต่การสแสวงหาด้วยไหมสแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายรรมมุนจัจเจตนาทานก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะก็กำลังให้อัปรัเจตนาทานเจตน า, ท, านที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ทานเสร็จแล้วด้วยด้วยพร้อมกับอะไรปีติเกิดไหมปีติเกิดอิ่มใจเกิดในการให้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 ถูกกำกับโดยศีลใช่ไหมจึงมีผลมากจึงมีผลมากและมีอนิสงส์มากทีนี้ถ้าให้สังเกตดูนะที่ในที่ท่านแสดงไว้ในอภิธานเนะี่ยที่มาจะคำว่าเอกกุปเอกะเอ เอกะปุพังยชิตวานะอาศิตกับปากโกดีโยทุกขติงนาวิชานามิเอกะบุพัสีทางพลังบอกว่าการบูชาด้วยดอกไม้หนึ่งดอกทำให้ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกขติภพมีนรกเป็นต้นเป็นอย่างไร ตลอดเวลาแปดสิบโกรอายุกลับหรือตลอดแปดสิบโกรชาตินี้แหละเป็นอนันดีสงผลงที่ได้รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจว่าดอกไม้เนี่ยนี่นี่ยดอกไม้หนึ่งดอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดอกเดียวด้วยนี่หนึ่งช่อเนี่ย ทำยังไงจะได้แปดสิบโกรดกับอายุคูณห้าคูณห้าบดสิบโอเอแปดสิบโกร ด, ดกับอายุคูณห้าโอกดกับนะแปดสิบโดนะคูณห้าที่เขาได้คูณห้าเนี่ยเขาเขาเริ่มตั้งแต่ไหน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 ทนถึงแสวงหาเป็นไปตามลำดับใช่ไหมคิดว่าจะทําบุญให้ทานหรือตั้งแต่การแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายารมหรือเป็นวัตถุลักษณะอย่างนั้นก็เรียกปุพพะเจตนาทานทั้งหลายก็ใค่ควรใช่ไหยอันนี้เป็นตุเป็นเป็นองค์กรอบห่งการที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการผลิตแล้วเป็นเป็นวัตถุนะเป็นเหตุและเป็นกาฬนาและเป็นเหตุแล้ว เป็นเหตุถึงการที่จะทําให้กุศลและเจตนาต้อเกิดขึ้นอย่างหาประมาณมิได้เป็นกุศลและชานาเกิดขึ้นอย่างมากมายเออนั่นแหละปุพหะเจตนาทานนั่นแหละปุพหะเจตนาแต่ยาแต่อย่ามื่อยลอยเออนั่นแหละนั่น น, น, นะทีนี้การตรึกการไข้ควรเนี่ยนะ ถ้าในขณะร้อยต้องยิ่งฟังเรื่องปุกพระเจตนาทานได้ชัดนะเพราะจะได้ไม่ปารบเรื่องอื่นปารบเรื่องทานนะปารบเรื่องดอกไม้ที่จะถวายรอดอันนี้ก็เลยกลายเป็น ม, ม, มุมอื่นไปไงอันนี้ต้องมุมนี้ไง น, นี้เราต้องการมุมนี้เพราะขั้นให้ปารบอะไรปารบรูปเป็นทาน ใช่ไหเสียงเป็นทานกลิ่นเป็นทานรสเป็นทานผูตรพิภพและธรรมะธรรมรมเนี่ยเป็นทานนี้จะเอาอะไรเป็นประธานในการปารลไม่ไม่เด่นชัดในใจอะสีพระวรากายของพระบรมศาสดามีสีทองผ่องงามไพ่ด้วยฉับพันนาลังสีด้วยสัพพัญยุตยานอนาวรณญญาญอินทรียโเโรป ร, ปรียติยานมหากรุณาสมาปัฏิยาน ยะมะกาปฏิหาริยญาณแล้วก็อาศยานุสยญาณของพระบรมศาสดาที่ไหลอยู่ในหทตถัยวัตถุของพระบรมศาสดาธรรมัศมีเปล่งปลา่งสร้างออกจากพระวรกายเป็นฉับพันธรพังสีเราจะทําจากไหนหนอเนี่ยที่จะร้อยพวงมาลัยเนี่ยถวายถวายพระบรมศาสดาเนี่ยทําสีทองผ่องงามไัยต่างๆเหล่านี้ยให้ พิจารณาเราจะเอาสีสีนี้เป็นประธานจะเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาผลิตภัณฑเอาธรรมารมของดอกไม้นี้เป็นบริวารเนี่ยนะเริ่มใครควรเป็นไปตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ก็มาวิจัยเป็นไป ต, ตามลำดับมือที่กำลังทำใจที่กราลเคิดนี่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศล แล้วก็สา ร, รนเสริญคุณของพระศาสดาพูดไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยในขณะนั้นน่ะวจีกรรมตอนนั้นก็เป็นทานกุศลไม่ทํากายไม่ทําวาจาให้เคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆไข ค, ควรพิจารณาเห็นพระคุณของพระศาสดาด้วยการระลึกจะถวายสีเป็นประธานแล้วเอาเสียงกิ่นรสผลพระและธรรมาลมเป็นบริวารเนี่นะเป็น มนโนกรรมที่เป็นทานกุศลเราได้ทานกุศเราได้ได้ทานกุศลทางกายกรรมที่เป็นทานวจีกร ร, นนกรรมที่เป็นทานมโนกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วเราได้บูชาพระศ า, าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แล้วเนาะเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะใครควรไปเรื่อยจนปีติเกินนะยม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 ถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเนี่ยดีแล้วเนี่ยนั่นแหละดีมทำเป็นเดือนเป็นปีทำไปเฮอตายในขนาดนั้นจะได้มากกว่าแปดสิบโกรธกลับเอาอยใช่ไหมเพราะเราถวายผู้มีคุณเนี่ยใช่ไหมเราถวายผู้มีคุณเน่ย คิดดูว่าสัพพยุทธยานกว่าจะได้มายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากราบเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันที่สมยุติกับสับพพยุทธยานนั้นกว่าจะได้มาก็ตั้งใช่ไหมสี่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากราบรู ป, ปกายที่ประดับไปด้วยมหาบุริสระขนาดสามสิบสองและอนุพยัญชนะแปดสิบกว่าจะได้รู ป, ปกายนั้นมาเนี่ยนะ ที่เป็นรวมเป็นขันห้าของพระบรมัสสดานะยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัาบนะเริ่มตึกตั้งแต่ไหนแต่เนี้ยเริ่มตึกตั้งแต่มานบนมนะแบกมารดาข้า ม, ม้าสมบูรในสัมปรวิบากโอ้โหชัดเลยแตเนี้ยเห็นไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนี้สิใช่ไหมคิดอย่างเนี้ยโอ้โหได้อะไรใช่ไหมเราจะถวายรูปเป็นทานถวายสี เสียงจีนลดโภชภาแล้วทำมารมเบนทานเนี่ยลองดูผลด่เนี่ยใช่ไมผลจะมาอย่างไงอายุใช่หมถ้ว่าคูณห้าคูณห้าไปสิอายุใช่ไม้มอายุเราจะมีอายุเนี่ยเป็นแปดสิบโกรธกับอัตภาพใช่ั้มเอาสิวันนะก็จะมีผิวพันผ่องใสน่ะ ยิ่งกว่าแปดสิบโกรธกับอัตภาพชาติเนี่ยว่าไว้เลยเกับในนี้ว่าอย่างเงี้ยก็าไล่ไปสุขะขคือความสุขก็จะเกิดขึ้นนไม้มฮะนั่นแหละแปดสิบโกรธกับอัตภาพกำลังก็จะผู้มีกำลังดีน่ะแล้วปฏิภาณในที่นั้นคือปัญญาเพราะวิจัยไงสร้างเหตุคือการวิจัยไงปัญญาถึงได้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 เสียดายไม่ฟังเรื่องนี้ก่อนนี่แหละเนี่ยแอดีแต่ต้องต้องให้ได้เหตุปัจจัยอย่างนี้ด้วยเนาะฮะอ๋ อ, อ, อ, อ, อท่านขับเน้นตัวกุรูสอนและเจตนานะ ใช่เพราะว่าของปราณีตใช่ไมอยู่ที่จิตที่ปราณีตด้วยอยู่ที่จิตปราณีตด้วยนะปราณีตระดับชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นปราณีตเดี๋ยวจะขยายดูว่าเขาปราณีตยังไงนะเดี๋ยวจะไปขยายคาว่าปราณีตเพราะปราณีตจริงจริงวัตถุปราณีตปานปราณีตแต่วัตถุไม่พอต้องกุศลต้องชั้นปราณีตด้วย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 ให้ได้เห็นความปราณีตของกุศลเจตนานะี่ที่เป็นไปในทานเจตนากุศลนี่ตรงนั้น น, นะตอนนี้เราก็คือจะเราจะเดินกองทัพอะไรทานอกองทัพอะไรทานเจตนาโยธา